ข่าวหน้ากลุ่มโดยดังตรินตอนที่37มทหารและตำรวจมีหน้าที่อะไรกันแน่สงสัยแต่ละประเทศมีนิยามไม่เหมือนกันอย่างที่ซิมบับเวทหารกับตำรวจเขามีไว้ปล้นประชาชนโดยเมื่อเร็วๆ เ, เ, เนี้ย ประธานาธิบดีของซิมบับเวออกคำสั่งให้ทหารและตำรวจพ้นรถบรรทุกอาหารจากสหรัฐอเมริกาที่กำลังนำไปมอบให้กับเด็กผู้หิวโหยเป็นปริมาณถึง20เมตริกตันปล้นเสร็จก็นำไปแจกจ่ายให้กับสมาชิกพักรัฐบาลในเวทีหาเสียงของพักรัฐบาลแทนตามหลักการขั้นพื้นฐานของความเป็นประเทศ จะต้องมีทหารและตำรวจเอาไว้เพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศนั้นๆมีความเข้มแข็งสามารถปกป้องตัวเองได้ไม่ใช่อยู่ๆใครอยากมายึดก็เคลื่อนรถถังและถือปืนเข้ามาจี้ผู้นำประเทศและประชาชนและยึดกันได้ง่ายๆที่ว่าเป็นที่มาว่าทหารคือรั้วของชาติและตำรวจคือผู้พิทักษ์สันติราชที่พร้อมจะพิฆาตทรชนแต่ในทางปฏิบัติทุกประเทศทั่วโลก จำเป็นต้องฝึกทหารกับตำรวจให้เป็นหุ่นยนต์ส่วนคนที่มีสิทธิ์มีชีวิตอยู่จริงๆคือผู้บงการผู้บงการเท่านั้นที่มีสิทธิ์คิดว่าจะให้ทหารในมือทำอะไรปกป้องตนหรือประชาชนยิงศัตรูหรือลูกเด็กเล็กแดงผู้นำคือผู้นำจะเรียกว่าพระราชาประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรี หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าถืออำนาจใหญ่เหนือกองทัพทหารและกองบัญชาการตำรวจก็คือเจ้าเหนือหัวหรือเจ้าชีวิตของคนในประเทศดีๆนี่เองจะอยู่ประเทศไหนเรียกระบอบการปกครองเป็นประชาธิปไตยหรือสมบูรณาญาสิทธิราชอย่างไรผู้นำสูงสุดก็ต้องผ่านประสบการณ์ทงความรู้สึกเหมือนๆกันอย่างหนึ่งคือเห็นราษฎรเป็นลูกไก่ในกำมือ ปากจะพูดว่าข้าพเจ้ามาจากประชาชนและจะทำเพื่อประชาชนตามสูตรสำเร็จอย่างไรก็ตามทีเถอะวิธีทางของการเป็นผู้นำอำนาจสูงสุดในประเทศย่อมบันดาลให้ส่วนลึกของมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งต้องเกิดความรู้สึกเช่นนั้นวันอย่างคำ่ำความแตกต่างทางความรู้สึกที่มีต่อลูกไก่ในกรมือก็คือความอยากบีบให้ตายหรืออยากคลายให้รอดผู้ที่เหมาะจะเป็นเจ้าชีวิต คือคนที่เห็นชีวิตเป็นชีวิตเมื่อมนุษย์คนหนึ่งเห็นชีวิตเป็นชีวิตเขาจะมีเมตตาไม่ใช่บ้าอำนาจการมีอำนาจระดับหนึ่งหนึ่งคือการมีโอกาสทำบุญทำบาปในระดับนั้นๆอำนาจปกครองประเทศก็คือการมีโอกาสทำบุญทำบาปในระดับประเทศหมายความว่ามหาชนจำนวนนับไม่ถ้วนล้วนเป็นผืนนากว้างยาวสุดลูกหูลูกตา ให้ผู้ถืออำนาจปกครองได้หวานบุญหวานบาปลงไปไม่จำกัดแล้วคนเราทำบุญทําบาปกับคนด้วยกันได้อย่างไรมากที่สุดอันนี้ต้องดูว่าจุดอ่อนของร่างกายมนุษย์คือท้องอวัยวะอื่นๆถ้าปล่อยเฉยๆก็รู้สึกเฉยๆแต่สำหรับท้องเนี่ยถ้าปล่อยทิ้งไว้เพียงไม่กี่ชั่วโมงจะเกิดความแสบขึ้นมาอ่อนๆและถ้าปล่อยทิ้งไว้เป็นวัน ความแสบก็ยิ่งทวีตัวกล้าแข็งขึ้นเรื่อยๆกระทั่งความแสบร้อนผ่านพ้นไปก็จะกลายเป็นความสิ้นแรงสิ้นชีวิตในที่สุดความห่วงใยปากท้องของประชาชนจึงเป็นเครื่องชี้สําคัญว่าผู้นําขึ้นมาเถลิงอํานาจในการนี้เพื่อทําบุญสร้างพบแห่งความอิ่มหมีพีมันหรือก่อบาบสร้างพบแห่งความหิวโหวยแสบไส้สุดประมาณในการหน้าให้แก่ตนเอง สิ่งที่รัฐบาลซิมบับเวทำก็เหมือนกับที่หลายประเทศทำเพียงแต่อันเนี้ยไม่ต้องเปรียบเทียบเป็นอุปมาอุปไมยให้ต้องตีความใดๆทำกันให้เห็นซึ่งซึ่งหน้าเลยว่าเขาขึ้นปกครองมีอำนาจเหนือประชาชนก็เพื่อสร้างความมีอยู่มีกินให้กับพรรคพวกของตนด้วยวิธีปล้นของกินจากประชาชนนั่นเอง า, า, าที ที่เห็นเปนทองจะิู่คนอเคยใจลยงสัสนกับหามววนไม่เกันดไง